วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31มอมีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่มาทำธุระที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอหมายให้กับพุทธบริษัทไว้ทำกันเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงและหมดไปในที่สุดการจะเป็นชาวพุทธได้อย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นที่จะต้องทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กระทาถ้าไม่ทาธุระก็จะไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ก็คือจะไม่ได้รับประโยชน์สุขจากการที่มานับถือพระพุทธศาสนา การที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราจาเป็นที่จะต้องทำธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ชาวพุทธทมกันนั่นก็คือหนึ่งคันธุระ<ม>แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอง ว, วิปัสนาธุระคือการปฏิบัติทำเพื่อให้คําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าปรากฏแจ้งประจักษ์ขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติก็คือผลอันเลิศอันประเสริฐคือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์การบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆ เช่นมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือประโยชน์สุขที่พึงผู้ปฏิบัติผู้ที่กระทาทุระที่พระพุทธเจ้าสรงมอบหมายไว้ให้กระทาได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจากการทาธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ทำ ดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาที่วัดการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาทำคันธัธุระคือ <c oughs> มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาในใจ ในขณะที่ฟังนี้ถ้าฟังด้วยสติฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อฟังด้วยจิตใจที่สงบคือไม่พูดไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้จิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังทำเพียงอย่างเดียวจิตใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่จะตามมาต่อไปนี่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นการทําธุระทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือทำคันธุระแล้วก็ทําวิปัสสนาธุระไปด้วยผลก็คือจะทําให้จิตใจสงบ สงสัยมีความสุขแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฐิเกิดปัญญาขึ้นมาทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านั้นปฏิบัติกันทำให้แจ้งกันนี้ก็มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งทรงสอนให้ ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือธรรมะหรือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตาม ที่มาตัดสรุและมาประกาศสอนธรรมะให้แก่ศาสโลกก็จะสอนธรรมะอันนี้เหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้มาตัดสรุได้ปรากฏได้ประกาศพระาศาสนาในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาต่อไปในอนาคต ทุกๆพระองค์ที่มาตัดสรุและมาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะสอนธรรมะทั้งสามข้อนี้เหมือนกันหมดเพราะวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำป้องกันไม่ให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นและ ยกระดับพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นและยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตก็จำเป็นที่จะต้องทำการปฏิบัติสข้อที่ได้แสดงไว้ก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วผลที่ดีที่ประเสริฐก็จะตามมาคือจิตใจจะสูงขึ้นตอนนี้จิตใจเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะให้จิตใจสูงกว่ามนุษย์ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลทาบุญทาทานต่างๆ แล้วจิตใจก็จะสูงขึ้นเป็นเป็นเทพเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าอยากจะให้จิตใจสูงกว่าขั้นเทวดาก็จำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องมีการสักพอกจิตใจละหรือกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆ ให้หมดไปด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเป็นการซักพอกจิตใจแล้วจะยกระดับจิตใจจากเทพให้ขึ้นไปสู่ชั้นพรหมต่อไปและชั้นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันชั้นพระพุทธเจ้าตามลําดับต่อไปก็จากการบําเพ็ญจิตตภาวนา การชําระซักพอกจิตใจต้องต้องชําระซักพอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นการทําบุญทําทานก็ดีการรักษาศีลการไม่ทํำบาปทั้งปวงไม่สามารถที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดได้ถ้าต้องการให้จิตใจสะอาดจําเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าสามถะภาวนาทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาแล้วขั้นที่สองก็ให้ใช้การเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาเรียกว่าสามถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำให้เกิดปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้มันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายละก็จะละ ตันหาความอยากในสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อละได้ความทุกข์ที่เกิดจากตันหาความอยากก็จะหายไปหมดไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาภาวนานี่เองนี่คือการ ยกระดับจิตใจและการป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำเบื้องต้นส่งสอนให้ป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำจิตใจตอนนี้ได้มาเกิดอยู่ในระดับของมนุษย์เป็นระดับปานกลางไม่สูงไม่ต่ำอยู่ตรงกลางระหว่างสุขคติกับทุกขคติสุขคติก็คือ สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงขั้นพานิพานเรียกว่าอยู่ในสุขกติส่วนทุกขกตินั้นก็คืออบายสี่สถานด้วยกันเป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขอบายนี้ก็มีอยู่สี่สี่ชั้นหรือสี่สี่สถานได้แกันหนึ่ง เดระชานสองเปรดสามอสุลกายและสี่นรกนี่คือสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขเปรียบเทียบกับทางโลกก็เหมือนกับเป็นสถานที่กักขังผู้ที่กระทำไม่ดีต่อผู้ ผู้ที่ไปทำร้ายผู้อื่นก็จะมีคุกตารางไว้ไปให้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะถ้าปล่อยให้ออกมาอยู่ในสังคมก็จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจึงจาเป็นที่จำเป็นที่จะต้องมีการกักขังป้องกันไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองก็คือคุกตาราง ชั้นใดจิตใจก็มีคุกตารางไว้คอยคอยจัดการกับจิตใจที่ไม่ดีจิตใจที่จะไปเบียดเบียนไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ก็จะต้องไปตกลงไปอยู่ในอบายถ้าไปทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อนก็คือถ้าไปทำบาปต่างๆเช่น ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีไปพูดปดโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายหต่อผู้อื่นจิตใจก็จะตกลงต่ำไปจากการเป็นมนุษย์ไปสู่เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกายบ้างหรือเป็นนรกบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ทำบาปว่าเกิดจากเหตุอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดว่าไม่บาป mm hmm. เช่นทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำ mm hmm. คิดว่าคงจะไม่เป็น เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ความจริงแล้วการกระทำบาปไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตามก็มีโทษตามมาเช่นเดียวกันตามกฎแห่งกรรมถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความคิดว่าไม่ไม่เป็นไรเพราะจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีพถ้าทำบาเพื่อเลี้ยงชีพนี้ จิตใจก็จะกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่เขาก็เลี้ยงชีพของเขาด้วยการกระทําบาปนั่นเองสัตว์ใหญ่ก็จะกินสัตว์น้อยเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพของเขาทันใดถ้ามนุษย์เลี้ยงชีพด้วยการกระทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือด้วยการลักทรั หรือด้วยการฆ้าประเพณีการเวณีก็ถือว่าเป็นการกระทำบาปที่จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปคือจิตใจนี้ได้กลายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งๆ ท, ง ท, งที่ในขณะที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นตอนนี้พวกเรามีร่างกายเป็นมนุษย์กัน แต่จิตใจของพวกเรานนี้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้ก mm hmm. ารที่จะทำให้จิตใจเราไม่เป็นมนุษย์ก็คือเกิดจากการกระทำบาปต่างๆ mm hmm. พอเราเริ่มทำบาปแล้วจิตใจเราก็จะกลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้าง mm hmm. ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทำบาปว่าเราทำ ด้วยเหตุผลนั่นใดถ้าทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพนี่ก็เป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็จะเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกถูกทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเพื่อป้องกันอันนี้ก็จะไปเป็น เป็นอสูะกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกดเตียนอันนี้ก็จะทำให้เป็นนรกขึ้นมาเกิดใจนี้จะร้อนเป็นไฟด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่คือสภาพการตกต่ำของจิตใจที่เกิดจากการกระทำบาป ด้วยเหตุผลต่างๆสี่ประการด้วยกันการทำบาปทั้งเดียวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปเป็นทันทีทันใดขึ้น อ, อยู่ว่าทาบาปมากทาบาปน้อยแล้ว่าทำบาปที่โทษที่หนักหรือที่เบามันก็จะมีผลหนักเบาต่างกันไปจากจิตใจก็จะเสื่อมลงไปจากการเป็นมนุษย์ไปสู่ อบายขั้นต่างๆถ้าทำบาปอยู่อย่างตลอดเวลานี้ก็จะถือว่าเป็นก็ได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างสมบูรณ์เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะดึงให้จิตใจลงต่ำคือการกระทำบาปต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละการกระทำบาป อย่าทำบาปและสิ่งที่สนับสนุนในการกระทำบาปก็คืออบายามุขเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเต่ความเกียด้านและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรการกระท ำ, ทำ <oui. S 1> อบายการกระทำอบายมุขเหล่านี้ จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเป็นเหตุที่ผลักดันให้ไปทำบาปเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่มีสติคอยควบคุมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น คนที่ดื่มสุลาจนเกิดอาการมึนเมามักจะมีกิริยาการที่น่าเกลียด น, น่ากลัวและการกระทําก็มีการกระทําที่จะทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุลาเวลาที่มีสติเป็นปกติก็มักจะเป็นคนเรียบร้อย การพูดการกระทําอะไรต่างๆก็เป็นไปเป็นตามปกติไม่ไปสร้างความเสียหายให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทําบาปจึงจําเป็นที่จะต้องไม่เสพประบายยามุกด้วยเช่นไม่เสพสุรายาเมาและของบนเมาต่างๆยาชนิดต่างๆที่ทำให้เกิดอาการบา้าคลั่งขึ้นมา ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเสดนอกจากการเสดของที่ทำให้เกิดการขาดสติแล้ว<ม>การกระทำอย่างอื่นเช่นการเล่นการพนันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปได้เพราะว่าเมื่อเล่นการพนันแล้วก็จะติดการเล่นการพนันอยากจะเล่นไปเรื่อยๆ เ, <ม>เวลา ได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนดังนั้นมันก็จะเล่นไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะต้องหมดหมดหมดเงินหมดทองหมดเนื้อหมดตัวมีเงินมีอะไรข้าวของก็เอามาขายเพื่อเล่นการพนันมีทรัพย์สินอะไรที่ขายได้ก็เอามาขายเพื่อเล่นการพนัน กันในที่สุดก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วก็จาเป็นที่จะต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบไปลักทรัพย์ไปปล้นไปจี้แล้วถ้ามีการเกาะการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไปเล่นการพ น, นันแบบแบบติดพัน์ ไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นเอาอาชีพการเล่นการพนันเป็นเป็นหลักคิดว่าเล่นแล้วจะสามารถที่จ ะ, ะล่ำรวยได้สามารถที่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจากการเล่นการพนันได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเล่นการพนันแล้วไม่มีอาชีพอย่างอื่นเลยนี่ในที่สุดก็จะต้องสิ้นเนื้อประดาตัว พอเวลาเล่นได้ก็อยากจะได้อีกแลเล่นเพิ่มมากขึ้นไปอีก mm hmm. เวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็จะเล่นมากขึ้นไปอีก mm hmm. จนในที่สุดก็จะต้องเสียจนหมดหมดเนื้อหมดตัวไป mm hmm. พอไม่มีรายได้ไม่มีเงินที่จะดำรงชีพก็จำเป็นที่จะต้องไปทำบาปไปหาไปหาเงินหาทองด้วยวิธีการทำบาป ไปโกหกหลอกลวงบ้างไปพลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างอันนี้คือเหตุของการไปเสพบาบายามุกเป็นเหตุที่จะทําให้ไปไปทํำบาปต่อไปเช่นเดียวกับการเที่ยวการเที่ยวแบบไม่มีขอไม่มีเกณฑ์เที่ยวเที่ยวตลอดเวลาไม่ไปทํางานทําการไม่ชอบทํางานชอบการไปเที่ยวที่มีความเกียดค้าน มันก็จะทําให้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอทรัพย์สินที่มีอยู่หมดไป mm. ก็จําเป็นที่จะต้องไปหาทรัพย์สินมาโดยวิธีมิชอบเพราะไม่มีงานทําไม่มีงานที่เป็นงานสุดริต mm. ได้ทำเพราะเอาแต่ไปเที่ยวตลาดเวลา mm. น, นี่คือโทษของอบายยมุก ค, ความเกลียดค้านก็ไม่ได้สร้างรายได้ขึ้นมา เกียจค้านอยู่เฉยๆไม่ทางานทาการ illeurs, น, นี่ก็ไม่ดีและการครบคนที่ชอบอบายามุขก็ไม่ดีคนที่ชอบเล่นคนที่ชอบดื่มสซลาถ้าไปคบกับเขา <öğ. S 1> เขาก็มักจะชวนให้เราไปดื่มสซากับเขา <öğ. S 1> ถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน <öğ. S 1> ถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบ ความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทํากันเพราะว่าจะทําให้เราไปกระทําบาปได้อย่างง่ายดายหรืออาจจะต้องทําทำบาปตามลําดับต่อไปคําว่าอบายมุกก็แปลว่าทางเข้าของอบายมุกก็คือทางเข้าอบายก็คือเนี่ยสถานศีลสถานที่เกิดจากการกระทําบาป ในราจานเปรตอสุรกายและนรกนี่เกิดจากการเริ่มต้นด้วยการไปเสพอบายมุก ค, คือไปเดินเข้าไปเดินไปอยู่แถวแถวทางเข้าของอบายนั่นเองเมื่ออยู่ใกล้ทางเข้าโอกาสที่จะเข้าอบายมันก็ง่ายพอเสพอบายมุกแล้วโอกาสที่จะไปทําบาปก็จะมีมากขึ้นง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่ นักปราทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่จะทําให้จิตใจตกต่ำทําก่อการเป็นมนุษย์น่าจะทําให้ไม่สามารถยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงให้ขึ้นสูงไปสู่ระดับขั้นสูงสุดได้ก็เกิดจากการไปเสพอบายามุขแล้วเกิดจากการไปกระทำบาปต่างๆนั่นเอง ง น, นั้นเบื้องต้นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องทำก็คือต้องละอาบายมุขและละการกระทำบาปคือรักษาสินห้าให้ได้ถือสินห้าให้เป็นนิจสินเพื่อเป็นปกติเป็นเป็นสีนที่เราจะรักษาตลอดชีวิตเลยคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเพณีสีไม่พูดบด ถ้าไม่ดื่มสุราของมึนเมาต่างๆและไม่เสพอบายามุกทั้งหลายทั้งปวงถ้าสามารถทำข้อนี้ได้ละการกระทำบาปทั้งปวงได้ก็จะสามารถปิดประตูอบายได้จะไม่จิตใจจะไม่มีวันที่จะตกต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าสมมติว่าถ้าตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย จะไปรอรับไปก็รอไปเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่ได้ทำบุญไว้เลยไม่ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้ทำบาปจิตใจก็อยู่ในระดับของมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆถ้าร่างกายตายไปจิตใจก็ยังเป็นมนุษย์อยู่จิตใจก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ทันทีมารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่ถ้า ได้มีโอกาสได้พัฒนาอยากจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับก็จําเป็นที่จะต้องทําคาสอนข้อที่สองก็คือสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการสร้างบุญสร้างกุศลก็คือการทําความดีต่างๆให้แก่ผู้นั่นเองเช่นการทําบุญทําทานการเสียสละแบ่งปัน ประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาซึ่งเทวดานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศลมากน้อยทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำ ทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงเพราะว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้มันจะต่างกันทาบุญน้อยก็จะรู้สึกมีความสุขน้อยกว่าทำบุญมากไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบุญบางครั้งเราก็ทำน้อยบางครั้งเราก็ทำมากเวลาที่เราทำน้อยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขไม่มากเหมือนกับเวลาที่เราทำมากอันนี้ก็เพราะว่า การทำการเป็นการเสียสละเป็นการปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนั่นเองถ้าเราปล่อยได้มากใจก็จะมีความสุขมากปล่อยได้น้อยก็จะได้ความสุขน้อยอันนี้คือถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นสู่เทวดาเพื่อเวลาที่เราตายไป เราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะดึงจิตใ จ, จของเราใหข้ขึ้นสูงจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆไ ป, ไปเสวยไปเสดบุญที่เราได้ทำไว้ตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเวลาตายไปนี้ไม่ได้เราไม่ขาดทุนเยเราจะได้กาไร เพราะว่าเราจะจากภพที่มีความสุขน้อยกว่าไปอยู่ในภพที่มีความสุขมากกว่านั่นเองก็เคืไปอยู่ในภพของเทวดาอันนี้คือการยกระดับพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปสู่การเป็นเทวดาการไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆก็เรียกว่าก็เป็นเป็นการ พัฒนาความสุขพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปพบของเทวดานี้จะมีความทุกข์น้อยกว่าพบของมนุษย์จะมีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์แล้วก็ยังมีพบที่สูงกว่าพบของเทวดาที่เรียกว่าพบของพรหมและของพระอริยบุคคลที่จิตใจสามารถที่จะพัฒนาให้ขึ้นไปสู่ พบที่สูงกว่านี้ได้แต่การที่จะยกระดับจิตใจให้สูงกว่าพบของเทวดาก็จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติเพิ่มการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติจิตตะภาวนานี่เองที่เมแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถาภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนา สมถาภาวานานี้ก็จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปสู่ระดับชั้นพรหมแล้วถ้าเจริญวิปัสสนาภาวานาก็จะยกระดับจากระดับชั้นพรหมขึ้นไปสู่ระดับพระของพระอริยบุคคลคือของพระโสดาบันของพระสกิดาคามีพระนาคามีพระอหรหันต์ตามลาดับจนถึงพระนิพพานเป็นขั้นสูงสุด อันนี้เกิจากการบําเพ็ญจิตตาภาวนาการทาบุญทำทานไม่สามารถที th th ่จะยกระดับจิตใจให้สูงกว่าการเป็นเทพได้การไม่ทำบาปก็ไม่สามารถที่จะพาให้ไปสู่สวรรค์ชั้นพระนิพานได้การจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรนนิพานสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการบําเพ็ญ จ, จิตภาวนานก็คือมีการปฏิบัติสมาธิและปัญญาสามถะภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ตั้งมันนมงม่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิมีปัศนาภาวนาก็คือการสอนใจให้รู้ทันความหลงว่าสิ่งที่ ทำให้ใจทุกข์ก็คือ ค, ความอยากและการที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องลดความอยากลงไปถ้าลดความอยากได้การจะลดความอยากได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นตารักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทุกเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้เสื่อมไม่ได้ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะละความอยากได้สิ่งต่างๆเมื่อไม่มีความอยากไม่มีตัณหาความอยากทุกในอริยสัจ ส, สีก็จะไม่เกิดการจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีเพราะเหตุที่พาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบ ในการมาพบในรูปภพและอรูปภพนี้ก็คือความอยากต่างๆนี่แต่เมื่อมีปัญญามีวิปัสสนาก็จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นสาเหตุที่จะพาให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดสร้างภพสร้างชาติอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จําเป็นที่จะต้อง หยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นสิ่งต่างๆที่อยากว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, น, า น, นี่คือก <c oughs> ารยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับถ้าตอนนี้เรารักษาศีลห้าได้แล้วแล้วเราก็ทำบุญทำทำกุศลตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไป ทำมากน้อยนี่ของแต่ละคนนี้ก็ไม่ไม่สามารถวัดด้วยจํานวนเงินได้เช่นคนหนึ่งมีล้านหนึ่งอีกคนหนึ่งมีแสนหนึ่งนี้คือคนหนึ่งทําล้านหนึ่งอีกคนนึ่งทำแสนหนึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนทําล้านหนึ่งนี้จะได้บุญมากกว่าคนที่ทําแสนหนึ่งก็ได้เพราะว่าการนับจํานวนของการทําบุญมากน้อยอยู่ที่เรา อยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราทำไป<ม>เช่นถ้าเรามีร้านหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราทำร้อยละสิบเราก็ทำไปแสนหนึ่ง<ม>แต่ถ้าเรามีสิบล้าน<ม>ถ้าเราจะทำบุญร้อยละสิบเราก็ต้องทำอย่างน้อยหนึ่งล้านเราก็จะได้บุญเท่ากันคนที่ทำบุญหนึ่งล้านกับคนที่ทำบุญแสนหนึ่งก็ ก็จะได้บุญเท่ากันเพราะทำบุญในสัดส่วนที่เท่ากันคือทำทำบุญตามสัดส่วนของทรัพสมบัติที่ของตนมีคนมีสิบล้านทำร้อยละสิบก็ทำไปล้านหนึ่งคนที่มีล้านหนึ่งทำร้อยละสิบก็ทาไปแสนหนึ่งแต่บุญที่ได้คือความสุขใจอิ่มใจก็จะมีเท่ากันก็ถือว่าไ ด, ได้ได้บุญเท่ากันแต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน เพราะฐานะการเงินการทองของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันนบางคนก็มีเงินทองมากบางคนก็มีเงินทองน้อยดังนั้นเราไม่ได้วัดจำนวนของบุญว่าเกิดจากเงินปริมาณของเงินแต่วัดจากสัดส่วนของเงินที่เราบริจาคไปดูว่าร้อยละเท่าไหร่ข อ, ของของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ ดังนั้นคนที่มีน้อยนี้ก็ทําน้อยบริมาณอาจจะทําน้อยกว่าแต่เงินแต่บุญอาจจะได้เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้เพราะว่าบสัดส่วนของเงินที่บริจาคไปนี้อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับของคนที่มีเงินมากกว่าก็ได้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องวิตกกังวลว่าเรามีเงินน้อยเราจะทำเราจะได้บุญเท่ากับคนที่เขามีเงินมาก ได้อย่างไรความจริงเราไม่ได้วัดที่จำนวนเงินเราเร า, เราวัดที่สัดส่วนของเงินที่เราบ ร, ริจาคไปร้อยละเท่าไหร่คุณบ ร, ริจาคร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ถ้าคุณมีล้านหนึ่งถ้าคุณต้องการบ ร, ริจาคร้อยละสิบคุณก็ต้องบ ร, ริจาคแสนหนึ่งแต่ถ้าคุณมีหมื่นหนึ่งคุณทำบุญร้อยละสิบคุณก็ทาเพียงแค่พันเดียวคุณก็จะได้บุญเท่ากัน อ น, นี้คือถ้ามองในแม้ในในในมุมกลับคนที่มีเงินน้อยกลับได้ทําบุญได้ได้บุญเยอะกว่ากันได้เพราะเสียใช้เงินน้อยกว่าทำทำน้อยกว่าปริมาณเงินที่ใช้ไปน้อยกว่าแต่จะได้บุญมากกว่าแต่แต่ความรู้สึกมันก็เหมือนกันคนมีมากมีน้อยก็มีความยุติดเท่าๆกันมีความมีเงินมากก็ยุติดกับเงินก็มีความยุติดมากกับเงินที่มีอยู่ มีเงินน้อยก็มีความยุติมากเท่ากันดันั้นการที่เราเสียสละเงินทองที่เรามีอยู่ไปได้ น, นี้คือเป็นการชนะความความยุติดในเงินทองของเราที่เรามีอยู่นั่นเองอันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อให้ท่านที่บางคนคิดว่าคนรวยเนี้จะได้ได้ทําบุญมากจะได้บุญมากกว่าคนจนนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่อยู่ที่รวยหรือจน อยู่ที่การเสียสละทรัพย์สินของตนที่มีอยู่ว่าเสียสละร้อยละเท่าไหร่เป็นสัต์เป็นส่วนไปอันนี้ก็เรื่องของการทำบุญถ้าทำบุญแล้วก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆทำบุญมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะได้ความสุขมากกว่ากว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญ อยากจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกว่าจากการได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆที่เกิดจากการทําบุญก็มีสวรรค์ที่สูงกว่าที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งการจะไปสวรรค์ชั้นพรหมได้นี่ต้องมีการการปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาก็คือหนึ่งต้องเพิ่มการรักษาศีลจากการรักษาศีลห้ามาเป็นการรักษาศีลแปดขึ้นไป รักษาสินแปดสินสิบหรือสินสองรอยีบเจ็ดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพของการการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติในรูปแบบไหนถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาก็ถือศินแกันถ้าบวชเป็นสามเณงหรือเป็นแม่ชีบางรูปก็ถือสินสิบแลถ้าบวชเป็นพระก็ถือศนสองอยีิบเจ็ดข้อ การทีท่ต้องถือศีลมากก็เพราะว่าการที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพนี้จําเป็นต้องละการเสกการมคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนั่นเองพวกเทพนี้เขายังเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเป็นความสุขอยู่แต่พวกพรหมนี้ถ้าต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสก รูปเสียงกิรนลดโพธิภพะก็ต้องละการเสบ ร, รูปเสียงกิริลดโพธิภพะเพื่อที่จะมาเสพความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากการเจริญสมถภาวนานี่เองอดังั้นถ้าอยากจะยกระดับจิตใจจากการเป็นเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการปฏิบัติคือเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปด หรือสินบหรยี่สิ็การถือศินเหล่านี้เป็นการละเว้นการการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เรียกว่าการมาสุขเพราะว่าการมา ส, สุขนี้เป็นความสุขที่ยาว ก, กว่าความสุขที่ได้จากการเสพความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่าเป็นความสุขที่มี อำนาจมากมีกำลังมากกว่าให้กำลังความสุขมากกว่ากันผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มความสุขจากการการได้ความสุขจากการทําบุญทําทานรักษาศีลห้าก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นมารักษาศีลแปดแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลแปดก็จะทําให้เกิดอุปสรรคในการที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนา สมถภ า, าวนาทำจิตใจให้สงบได้เพราะถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะไม่มีอะไรมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสพกามนั่นเองเช่นถ้าถือศีลห้านี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมหลับนอนกับคู่ของของตนได้หรือถ้าอยากจะรับประทานอาหารอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็สามารถทำได้ทุกเวลาตามความอยากตาม ตามความต้องการ อ, อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็ได้จะนอนสิบชั่วโมงก็ได้แต่การทำภารกิจเหล่านี้มันจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญสมถะภาวนามไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตใจให้สงบได้การที่จะต้องการที่จะเพิ่มความสุข จากระดับของเทศไปสู่ระดับของพรหมจึงจำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนานี่ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสมถภาวนาการที่จะมีเวลาก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อห้ามไม่ให้ไปทำกิจต่างๆเช่นการเสพกามในรูปแบบต่างๆเช่นศีลข้อสามของผู้ถือศีลแต่ก็จะกลายเป็นอัปมจริยา ก็คือจะละเว้นจากการร่วมหลับนอนไม่หาความไม่ให้หาความสุขจากการร่วมเพศนั่นเองให้อยู่ให้อยู่ให้หาความสุขจากการทาใจให้สงบแทนที่จะไปร่วมเพศก็ให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนอันนี้คือข้อที่3ของการถือศีลแปศีลแปนี่เรียกว่าเนธขมะการออกจากการมมาสุขการยุติการหาความสุข สินแต่นี้เรียกว่าเป็นสินเนคข ม, มะเป็นการเจริญเนคข ม, มะบารเมฆคือการไม่แสวงหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะในรูปแบบต่างๆเช่นการร่วมเพศกันนี้ก็เป็นการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอย่างหนึ่งแล้วก็ศินข้าวหกก็คือไม่ให้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบของอาหารคือไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยาก ถารับประทานอาหารตามความอยากก็คือต้องการจะเสพความสุขแต่ให้รับประทานอาหารพราะจำเป็นที่จะต้องเยียวยาร่างกายเช่นเหมือนกับการรับประทานยาถ้าการรับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสรับประทานอาหารเพื่อเพื่อยั่งชีพเพื่อให้ร่างกายกําจัดความหิวแล้วก็ ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยการรับประทานอาหารแบบนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนสามารถมีเวล่ำเวลาให้กับการรับประทานได้ก็คือให้รับประทานในช่วงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเป็นต้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารอีกต่อไปเพราะถือว่าถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็รับประทานด้วยความหยาบนั่นเอง ก็ยังต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอยู่แต่ถ้ารับประทานมื้อเดียวหรือหรือสองมื้อแต่ไม่เกินเที่ยงวันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้เป็นการเสพการในการรับประทานอาหารแล้วก็จะทาให้มีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติถ้าเราไม่มีขอบเขตในการรับประทานอาหารการกินการดืม่ม นึกอยากจะกินอยากจะดื่มเมื่อไหรเราก็กินกันดื่มกันเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการเดินจมกลมนั่งสมาธิ<ม>แต่พอเรากาจัดเรื่องของการดื่ ม, มการรับประทานไม่เป็นเวลาเวลาได้<ม>เช่นรับประทานวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่ก่อนเที่ยงวันพนอหลังจากเที่ยงวันแล้วทีนี้ก็จะไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการการรับประทานการดื่มการกินอีกต่อไป นอกจากว่าถ้าหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ําได้แต่ก็ดื่มน้ําเปล่าเป็นต้นเพราะน้ําเปล่านี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดให้ให้ได้เศษแต่ถ้าไปดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเศษรูปเสียงกลิ่นลดอยู่นั้นถ้าต้องการที่จะ <c oughs> หยุดการเศษกามเราก็ต้องดื่มน้ํำเปล่า เ, าเพราะร่างกายต้องการน้ำเปล่า เ, ลาเวลาร่างกายหิวน้ํา ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นน้ำที่มีรสชาติต่างๆมีรูปสีมีสีสันต่างๆอันนี้ไม่เป็นเรื่องของการเสพการมากกว่าอันนี้คือศีลข้อที่หกนี้ก็เพื่อให้เรายุดยุติการบริโภคยุยติการเสพการด้วยการบริโภคด้วยการกินการดื่มให้บริโภคได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย แต่ไม่ให้บริโภคเพื่อหาความสุขจากการบริโภคเพราะอันนี้จะเป็นการกามะตัญหากามะฉันทะซึ่งจะเป็นนิวรนเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองแล้วก็ถือสินข้อเจก็คือไม่ให้เราเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทางตาเช่นการดูมอห์ะพบันเทิงต่างๆ่าทางตาและทางหูแล้วเว้นจากการดูมอห์พบันเทิง ลาเวนไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในงานบันเทิงต่างๆแล้วก็ลาเวนจากการเสพความสุขด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ว่าจะด้วยการทำเข่าทำผมทำหน้าทำตาหรือใส่เสื้อผ้าที่สวยงามมีสีฉูดฉาดมีมีจิตพิสดารต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นการเสพการเป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาบำเพ็ญทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องถือศีลข้อนี้แล้วข้อสุดท้ายก็ศีลแปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่าเราต้องการเอาเวลานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองถ้าเรามัวแต่ไปนอนมากกว่า ความต้องการของร่างกายเราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาทำจิตใจของเราให้สงบได้จึงต้องนอนแบบไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆ ป, ปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อไม่ให้นอนบนพูกหนาๆที่มันสุกที่มันสบายเพราะถ้ามันสุกมันสบายมันจะนอนมากเกินไปนั่นเองร่างกายความจริงถ้าเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ต้องการพักผ่อนเพียงสี่หรือห้าชั่วโมงก็พอ ร่างกายพอได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนะมันสบายใจก็จะไม่อยากจะลุกใจก็จะขอนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆไม่สบายนี้พอเราพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเราก็จะได้รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมต่อไปได้นั่นเอง อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องกระทําถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับของพรหมเข้าสู่การเสพความสุขที่ได้จากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของตามของรูปเสียงกฤฤิเรสผลทพะเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการถือศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยไม่8ด ก, ก็สิบไม่สิบก็ศีล227 แล้แต่สถานภาพของเราว่าเราจะไปเราจะไปบวชในรูปแบบไหนพอเราถือศีลแปดได้แล้วเราก็จะมีเวลาให้กับการเจริญสมถะภาวนาเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งนในเบื้องต้นการจะทำใจให้สงบให้นิ่งได้นี้เราจำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้กำกับใจสตินี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เป็นเหมือนเบรคของรถยนต์ รถยนต์นี้ถ้าไม่มีเบรคนี้จะไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ตามที่ต้องการเช่นถ้าขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วเจอไฟแดงนี้ถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดรถไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นอย่างแน่นอนถ้ามีเบรกก็พอถึงเวลาที่จะหยุดรถก็เหยียบเบรครถก็หยุดได้อันใด ใจของเราถ้าเราต้องการใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธินี้เราก็ต้องหยุดใจของเราให้ได้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ได้การที่เราจะหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เราก็ต้องมีเบรกของใจเบรกของใจนี้ก็คือสตินี่ที่เราดีกันแต่มีไม่มากมีในระดับที่พอที่จะยับยั้งการกระทำบาปได้ยับยั้งการพูดที่ไม่ดียับยั้งการกระทาที่ไม่ดีได้แต่ เรายัางไม่มีกําลังพอที่จะทำให้ความคิดของเราให้จิตของเรานี้หยุดคิดให้มันอยู่นิ่งๆได้เลยถ้าเราไม่สามารถทาจิตให้หยุดคิดให้อยู่นิ่งๆได้เราก็จะไม่สามารถทำสมาธิทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว ร, รู้สึกว่านั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา ก็แสดงว่าเราไม่มีสติพอกำลังของสติยังมีไม่พอสิ่งและสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะมานั่งก็คือพยายามฝึกสติให้มากขึ้น<ม>ด้วยการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องดาวเรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับเรื่องเดียวอุบายของสติก็คือให้จิตคิดอยู่กับเรื่องเดียวหรือให้รู้อยู่กับเรื่องเดียว<ม>ถ้าคิดก่ายคิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธ เช่นเวลาเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี้เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราอยากจะต้องการหยุดความคิดต่างๆเราก็ต้องใช้ทำบริกรรมพุโทโธมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเบรกหยุดความคิดเนี่ยถ้าเรายังไม่มีพุโทโธเราก็ต้องพยายามฝึกกันเพราะว่าพุโทโธนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาโดยอัตโนมัติไม่เชื่อลองไปฝึกดู ลองลองไปบริกรรมพุโทโธดูว่าจะบริกรรมพุโทโธได้แค่กี่นาทีบางทีบริกรรมพุโทโธไปไม่ถึงนาทีก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วแล้ว<น>อาจจะมารู้สึกตัวอีกทีอาจจะเวลาอาจจะผ่านไปเป็นสิบนาทีก็ได้โอ้เราไม่ได้พุโทโธเลยลำเรวแต่นั่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถ<ม>ึงสิ่งนี้เวลานั่งสมาธิใจมันก็เลยไม่หยุดคิดใจมันก็เลยไม่นิ่งไม่สงบยังแล้นเราพยายามฝึก จเจริญสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้จิตสงบได้ mm hmm. นักปฏิบัติจิตภาวานานี้ถ้าต้องการจะได้ผลนี้จำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง mm hmm. ทั้งวันทั้งคืนเช mm hmm. ่นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระให้กับพุทธบริษัทให้เอาเวลาวันหยุดทำงานหนึ่งวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงนอนหลับไปเนี่ยให้เอาเวลามา ปฏิบัติจิตตะภาวนากันมาถือศีลมาถือศีลแปดแล้วมาปฏิบัติจิตตะภาวนามาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันยรารินสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ยรารันพุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะวันนี้เราไม่มีงานทำเราไม่มีเรื่องราวที่เราจะต้องติดต่อกับใครเป็นวันปฏิบัติธรรมวันปนวันปฏิบัติธรรมก็คือวันหยุดความคิดนี่เอง หยุดความคิดทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบถ้าเรามีความถ้าเรามีเป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงและรู้ว่าเราต้องทำอะไรมันก็จะไม่ยากส่วนใหญ่เราไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรแลวต้องทำอะไรอย่างไรเราก็เลยสับสนไปกับการปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราต้องการเจริญสมถะภาวนาต้องการทาจิตใจให้สงบ ให้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป้าหมายของการปฏิบัติของเราก็คือต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมานี้เราต้องพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พุโทโธไปพุโทโธไปไม่ว่าเราจะไปทําอะไรก็ตา่างเช่นไปทําความสะอาดล้างหน้าล้างตา แต่งฟันอาบน้าอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราควรจะมีคำบริกรรมพุโทโธํากับใจไปตลอดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ฝ uh huh. ึกไปอย่างนี้ถ้าเราสามารถก็คุมใจในในช่วงระหว่างที่เราต้องทำภารกิจที่จาเป็นในการเลี้ยงดูร่างกายเราหรือในการทำความสะอาดสถานที่ที่เราพักอยู่ เมื่อเราทำภารกิจเานี้เสร็จแล้วเราก็มีเวลาว่างเราก็มาเดินจงกรมต่อ<ม>เดินจงกรมเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกระทั่งเรารู้สึกเมื่อยแล้วอยากจะนั่ง<ม>ทีนี้เราก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไป<ม>ถ้าเราได้มีการทำพุทโธมาตั้งแต่ตื่นมาจน ก, กระทั่งถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี้โอกาสที่ใจจะเพ้อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมีน้อยมาก ความคิดต่างๆมันจะมีน้อยนั่งแล้วจะจะไม่ฟุ้งซ่านนั่งแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงไปแล้วถ้าถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องพุโทโธไม่พังไม่เผลอบางทีนั่งห้านาทีจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้เวลาบริกรรมพุโทโธนี้เวลาจิตจะรวมนี้เหมือนกับมันจะตกลงมาจากที่สูงตกลุมตกบ่อลงมาแล้วก็นิ่งสงบเยน็นสบาย ตอนนั้นแหละถือว่าการปฏิบัติสมาธิได้ผลสําเร็จแล้วพอจิตนิ่งสงบแล้วก็ไม่ทําอะไรให้จิตมันก็จะนิ่งของมันไปช้านานอยู่ที่กําลังของสติถ้าฝึกใหม่ๆจะนิ่งได้ไม่นานเบื้องต้นนี้ท่านบอกว่าจะเป็นเหมือนเหมือนงูลาบลิ้นหรือเหมือนผ้าลาบจิตจะรวมปั๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาจิตที่รวมสงบเพียงปั๊บเดียวแล้วถอนออกมานี้ท่านเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิ เป็นความสงบชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณะคณิกะสมาธิแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่เคยพบกับความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนคือความสงบของใจแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะเดียวก็ตามมันจะทำให้เกิดความมีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าได้สัมผัสกับความสงบที่ได้จาก การเจริญสติจากการนั่งสมาธิแล้วนี้ใจจะไม่อยากจะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไปอยากจะเอาเวลาทั้งหมดที่มีอยู่นี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วถ้ามาเจริญสตินั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเข้าต่อไปเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบจิตก็จะสงบนิ่งได้นานจากชั่วแวบหนึ่งก็กลายเป็นสองสามนาทีบ้างเป็นห้านาทีบ้างเป็นสิบนาทีบ้าง ถ้าฝึกไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะนิ่งได้นานสงบได้นานไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการเจริญสตินั่งสมาธิว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะได้เงินทองมากี่ร้อยล้านก็ตามไม่ว่าจะได้ยศได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะได้รางวัลอะไรต่างๆมามากน้อยเพียงรก็ตาม เราได้เสียงรูปเสียงจิตรถในรูปแบบได้ต่างๆมามากน้อยเพียงไรก็ต่างความสุขต่างๆเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้ว <c oughs> มันเป็นเหมือนฟ้ากับดินเลยเมื่อเราได้ความสุขระดับฟ้าแล้วเราจะไม่กลับไปหาความสุขระดับดินอีกต่อไป <c oughs> ถ้าเราได้ความสุขจากการทําใจให้สงบแล้วและเรารู้ว่าเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเลิก สั่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าถ้ายังไม่ได้บวชก็ก็จะคิดบวชทันทีเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ในเพศของผู้คองเรือนไปทำไมเพราะผู้คองเรือนก็ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นลดแต่แต่ผู้ที่ได้ความสุขจากความสงบแล้วก็จะไม่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดติกต่อไปก็จะคิดบอกบวชกัน ก็อยู่ตามลำพังถ้าไม่ได้บวชก็อยากจะปลีกวิเวกอยากไปอยู่คนเดียวอยากจะเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําทจิตใจให้สงบนั่นเองอันนี้เป็นความสุขระดับชั้นพรหมนะแล้วถ้าอยากจะขยับความสุขระดับชั้นพรหมให้ไปสู่ระดับพระอริยบุคคลต้องมีการ <c oughs> พัฒนาการปฏิบัติอีกอีกชั้นหนึ่งก็คือการเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนา ภาวนาเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธินี้ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวยังไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเราสามารถที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธิที่เป็นความสุขชั่วคราวนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรได้ด้วยการใช้ด้วยการเจริญปัญญาเพราะเราจะถ้าเรามีการเจริญปัญญาเราก็จะเห็นว่าเหตุที่ทาให ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจางหายไปก็คือความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะทําให้ความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธินี้เป็นความสุขที่ถาวรเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาเวลาที่เกิดความอยากไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็ตามให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นใจรัก มันจะนําไปสู่ความทุกข์มันจะสร้างความมันจะทําให้ใจไม่สงบเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมานี้ความสงบมันก็จะจางหายไปทันทีถ้าอยากให้ใจกลับมาสงบเหมือนเดิมก็ต้องหยุดความอยากให้ได้และการจะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเคยอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกมือกายร้วนเป็น ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุ ม, มคบังคับให้มันยั่งยืนถาวรไดเ้เมื่อมันเมื่อมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมะเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เป็นตายรักและความอยากนี้เป็นตัวที่มาทําลายความสงบก็จะต้องพยายามหยุดความอยากด้วยการใช้ปัญญาเมื่อเห็นด้วยเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรัก ความอยากก็จะโหดหายไปเองเมื่อไม่เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะสงบอย่างถาวร น, นี่แหละคือขั้นสูงสุดก็คือการทำใจให้สงบอย่างถาวรด้วยการเจริญปัญญาขั้นสุดท้ายแต่เบื้องต้นต้องทำใจให้สงบด้วยสมาธิก่อนด้วยสติก่อนเมื่อได้ชัวาวสงบจากสติแล้วชนานาญการการเข้าออก ในความสงบด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็มาเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ต้องหาต้องใช้ปัญญายุติความอยากให้ได้เพราะความอยากนี่เป็นตัวที่ทําให้ใจกระเพื่อมทําให้ใจไม่สงบนั่นเองถ้าอยากจะรักษาใจให้สงบก็ต้องคอยกําจัดความอยากที่โผล่ขึ้นมาในใจด้วยการพิจารณาในสิ่งที่อยากว่าเป็นตายรักษณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมืม่อเห็นว่าเป็นตายรักษณ์แล้วก็จะหยุดความอยากได้ ใจก็จะสงบต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุดใจที่ไม่มีความอยากใจที่สงบอย่างอย่างถาวรแล้วก็เรียกวนน่านิพพานนิพพานก็คือใจที่อิ่มที่พอไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปห<ม>เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันเพราะว่าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ใจยังหิวอยู่ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่พอร่างกายตายไปพอสูญเสียสิงย่งต่างๆที่เรามีอยู่ไป ก็อยากจะกลับมาหาใหม่พอตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เกิดมาพอมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันใหม่แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากจะนำพาไปสู่ความทุกข์ต่างๆก็หยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของจิตใจ ก็คือกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาแต่ก่อนจะได้วิปัสนาภาวนาต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนและก่อนที่จะผ่านสมถะภาวนาก็ต้องมีต้องผ่านการถือศีลศีลแปดถือเนคขมะก่อนและก่อนที่จะไปสู่เนคขมะได้ก็ต้องผ่านการทำบุญทาทานการผ่านการรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน อันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติในการยกประดับจิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสาขั้นตอนด้วยกันก็คือ 1. การละ ก, การกระทำบาปทั้งปวง 2. การสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปถ้าทำครบทั้งสามข้อแล้วใจก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างแน่นอน นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินางเป ต, ตานางอุ ป, ปกะปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉะตุ สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชะตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตผวะตะวันตารายสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานศิลิศะนิจังุทาประจายโนจัตตารธรรมวัฏานเตอายุวันโนสุขางฮาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 458ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์294ท่าน YouTube ดรว78ท่าน c ล u b h ฮ u s e 6ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านนากุติ169ท่านรวมทั้งหมด1 1 5ท่านคราาับอาจารย์มีคำถามฝากถามนะคะ เขาขาดเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าบวชเป็นแม่ชีอยู่บ้านเวลาหมู่บ้านหรือชุมชนมีงานทําบุญเลี้ยงพระต่างๆเช่นสงกรานต์ปีใหม่ทําบุญหมู่บ้านหรือกิจกรรมอื่นๆเราสามารถไปร่วมงานได้หรือไม่คะและถือว่าเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่เจ้าคะก็ อ, อยู่ความเข้มข้นของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติแบบเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นะ ถ้าไม่เข้มข้นเราก็ยังจะไปร่วมงานบุญนายต่างๆก็ได้อยู่แต่ถ้าเข้มข้นก็จะเหมือนกับไปปีกเวอยู่คนเดียวไม่ไม่ไปยุ่งกับใครจะสวงหาความบุญที่เกิดจากความสงบมากกว่าจะแส ว, สวงหาบุญที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆอันนี้ไม่มีข้อห้ามข้อบังคับอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะเลือกอยากจะไปเร็วหรือไปช้า ถ้าไปเลยก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเลยปีกวิเวกอยู่คนเดียวภาวนาเพื่อหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปยากใจแต่ถ้ายังจะชอบไปแบบเรื่อยๆสบายๆายายก็อยากจะไปทานู่นก็ทําอยากนี่ทําก็ทําไปแต่มันก็จะทําให้การการปฏิบัติราช้าและอาจจะไม่ทันการก็ได้ก็อาจจะต้องตายไปก่อนคำถามจากทางยูทูค่ะ การขอขมากรรมจะช่วยลดละกรรมที่ตนได้กระทำไว้หรือไม่เจ้าคะคือกรรมที่ทำแล้วนี่มันไม่ลดละมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีการจองเวนจองกรรมกันตามมาถ้าเราขออภัยเขาให้ถ้าเขามาขออภัยเราเราให้อภัยเขาเองเราก็จะไม่จองเวนกับเขาต่อไปหรือถ้าเราไปขออภัยเขาแล้ว เ, เขาไม่เาไม่จองเวนเราเวนมันก็จะหมดไปได้แต่กรรมที่ทำไว้มันไม่หมด ทำบาบด้วยเหตุผลนั้นใดก็ยังต้องไปใช้บาบด้วยเหตุผลนั้นอยู่ทำบาบเพราะเพราะความหลงก็ไปเป็นเดราาัจฉานทำทำบาบเพราะความโลภ ก, ก็ยังต้องไปเป็นเปรตอยู่ จากคุณการชะตาค่ะกราบน้ำรสการเจ้าข่าพระอาจารย์กราบเรียนถามขออุบายให้มีความเพียรไม่เกลียดไม่เกลียดค้านกับงานที่ยากและไม่อยากทําค่ะยิ่งเลยกําหนดส่งยิ่งหมดใจจะทําเจ้าข่ากราบขอบพระคุณค่ะก็ต้องให้คิดว่าการปฏิบัติเหมือนกับการรประทานอาหารการปฏิบัตินี้เป็นให้การให้อาหารใจให้กําลังใจถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ใจเราก็จะขาดอาหาร ก็จะเป็นเหมือนคนไม่ได้กินข้าวคนที่ไม่ได้กินข้าวมันก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะทําอะไรได้บางทีเวลากินข้าวบางทีเราอาจจะไม่อยากกินก็ได้แต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่กินแล้วเราจะหิวเราบางทีก็ฝืนบังคับให้กินไปอันนั้นก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติก็เหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจถึงเวลาที่ไม่อยากจะปฏิบัติก็ต้องฝืนต้องบังคับว่าปฏิบัติแล้วมันดีกับไม่ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่าตอนนี้เนั้นพยายามฝืนไปสู้ความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีกว่าดีกว่าที่จะต้องมารับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ปฏิบัติที่จะตามมาต่อไปได้คำ ถ, ถามจากทาง Y youtube ค่ะความยังอยากมาเกิดอยู่ไม่คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์ถือว่าเป็นความเห็นผิดหรือไม่เจ้าคะ่ะผิดแน่นอน ถ้ายังเห็นว่าการเกิดเป็นสุขอยู่ก็ก็จะกลับมาหามก็ก็จะกลับมาเกิดเรื่อยๆเพราะเจตนาของจิตก็คือต้องการหาความสุขนั่นเองถ้าคิดว่าการมาเกิดแล้วจะได้ความสุขมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคิดว่าการมาเกิดนี้จะต้องมาเจอกับความทุกข์มันก็จะไม่อยากจะมาเกิดมีชาวต่างชาติอยู่ we have some foreign visitor here From Singapore and from some place, would you like to ask any question? You're welcome to ask anything you like. Just come over here and speak to the microphone. Can you come over here? Yeah, please. Yeah, just sit there. Where are you from? I'm from Norway. Norway. Yeah. Okay. Okay. Okay. okay. From a very cold country to a very hot country. Yes. <laughs> Thailand is a i y e b y Thailand is like a sauna. <laughs> yeah, yeah. It's very nice. I like it here. Okay. Good. Yeah. Um, I have a uh, practice question about my meditation. I have some uh, difficulties breathing. Like uh, some blockage in the chest and the stomach. Do you have any tips or suggestions to how how to work on this? Does this happen only when you meditate? Does, does this condition happen when you, you know, only when you meditate? No, all, all the time. All the time. Yeah. w h e n you have to go see a doctor. For okay. It <laughs> <you> sounds serious. <laughs> well, I don't know because it, in that. I can only deal with the mental situation. Right. If you have mental problem, every time you meditate and you cannot use the breath, then you have to use some other method. Uh h -huh. Like you can use a mantra, bhuto bhuto. h mm u h -hmm. Or you can do some chanting. Mm -hmm. Or you can do the 32 parts of the body. Okay. s a means of uh, concentrating your mind and make your mind calm. Right. You can use this method. If mm -hmm. you find that every time you watch your breath and you have difficulty breathing, and maybe watching the breath is not for you, okay. then you can try the mantra, butto butto butto, or if you want it to be longer, you can say butto dhammo sangko, right. or even longer, you can maybe do some chanting. You can if you know some chant. Mm -hmm. This will prevent your mind from thinking, and it will calm your mind down to a certain level. Mm -hmm. And after your mind b e c o m e more calm, then maybe you might be able to watch your breath. You can then try to look at your breath again. Mm -hmm. And if, if there's no problem, then you can use the watching the breath until you calm your mind completely. Okay. So try a different approach before, and then yes. maybe come to the breath That's later. Yeah, okay. Eventually. Okay. Yeah. Thank you. And you should try to practice this. All the time, even when you're not meditating, mm -hmm. when you're walking, when you're doing something, try to use the mantra to prevent your mind from thinking, and you'll find it easy to meditate. Okay. มีคำถามจากทาง Inbox นะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กับพระอาจารย์ค่ะหากเคยมีปัญญาเกิดขึ้นว่าเราไม่ควรพึ่งพาหาความสุขจากคนในครอบครัวเพราะเขาเป็นคนมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปมาเราไม่ทุกข์กับเขาเป็นช่วงเวลานานแต่อยู่ๆความทุกข์เรื่องเดิมนี้ก็กลับเข้ามาอีกหนูขอแนวปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ให้หมดด้วยเจ้าค่ะก็ปัญญานั้นก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้มันเป็นสัญญา มันยังลืมได้อยู่ถ้ายังลืมได้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะไม่ลืมทุกครั้งที่เราจะไปหาความสุขจากสิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์มันก็จะเห็นว่าเป็นความทุกข์ทุกครั้งไปเออน่าถ้ายังเห็นว่าเป็นความสุขก็ต้องมาพิจารณาใจลักษใหม่พิจารณาว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปหรือเขาจะต้องเปลี่ยนไป พอเขาเปลี่ยนไปแล้วจากเราไปก็จะทำให้เราทุกได้ต้องพยายามพิจารณาให้เห็นความทุกข์ใหม่อีกครั้งคำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะคะคุณน้อยปานิดาค่ะ ขอกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะฝึกภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพบว่าคำภาวนาไปจังหวะเดียวกับลมหายใจไม่ทราบว่าควรปฏิบัติจับคำภาวนาต่อหรือยึดที่ลมหายใจเข้าออกคะขอคาแนะนาด้วยค่ะได้ทั้งสองอย่างถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธต่อไปก็ได้ถ้าเราเห็นลมแล้วเราอยากจะใช้ลมแทนก็ได้ คำถามจากทางอินบ็อกค่ะหนูมีปัญหาเรื่องเดิมกับคนเดิมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีซึ่งทําให้ทุกใจมากหรือน้อยหรือน้อยขึ้นช่วงเวลานั้นๆหนูขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะปัญหาของเราก็คือความอยากของเราเราคงอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็เลยทุกข์กับเขาไปเั้นต้องวิเคราะห์ดูว่า ปัญหาของเราความอยากของเรานั้นอยากอยากอะไรในตัวเขาเราต้องมองให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เพราะเขาเป็นอนิจจังอนัตตาอนัตตาก็เป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้อ น, นิจจังเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้ าทางอินบ็อกค่ะพระอาจารย์ครับผมทุกใจหนักเลยผมไม่รู้จะคิดไปทางไหนดีถึงจะไม่ทุกข์ขอคําแนะนําด้วยครับหยุดคิดสิหยุดคิดความทุกข์ความคิดทําให้เราทุกข์เราก็หยุดคิดใช้พุทโธพุทโธเวลาเกิดความทุกข์ก็ต้องขยันพุทโธพุทโธพุทโธไปเป็นกว่าเราจะลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ความทุกข์มันก็จะหายไป จากทางยู u ูบค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะทั้งทางที่เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมและออกบวชนั้นทําให้เรามีโอกาสพ้นทุกข์ได้แต่ทําไมเราจึงไม่ทําเพราะเรายังมีกิเลสหรือไม่มีปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะเรายังติดความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรัดอยู่เหมือนคนที่ติดยาเสพติดน่ยคนที่ติดยาเสพติดก็รู้ว่าถ้าเลิกเสพได้ก็จะมีความสุขกว่าแต่การที่จะเลิกเนี่ยมันต้องมันต้องผ่านความทุกข์ทรมาน ที่เกิดจากความอยากความอยากความที่ยังมีความอยากจะเสพอยู่ไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวอุปสรรคที่ทํำให้คนเราไม่สามารถไปบวชไปปฏิบัติได้เพราะยังติดความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่แต่ถ้าเราพยายามขยันฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆใจเราจะมีกําลังสู้กับความอยากได้อพอเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราก็ไปบวชได้ จะคุณสะอาดค่ะกระผมไม่ถนัดการนั่งสวดมนต์แต่จะถนัดดูลมหายใจมากกว่าเพราะจิตมันเหมือนกับแบกความทุกข์เอาไว้ตลอดเวลาการสวดมนต์กับการดูลมสิ่งไหนจะเกิดอัน้สงมากกว่ากันครับก็อยู่กับคนที่ปฏิบัติบางคนดูลมยังไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนบางคนถ้าดูลมได้เลยก็ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่มีแล้วนะโอเค มีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญเข้ามาได้ถามเอง ก, ก็ได้โยมนุ้ยอยากให้เขาอ่านให้ก็ได้ลูกควรขังปลิวอ่านไม่อันไม่ถนัดค่ะโวันโยมถามเองเลยก็ได้เชิญได้เลยคจะได้ดชัดเจนครับก็คุณนพดลไกลเริก น, นะครับนักมาตรการเรียนถามว่า อา น, นิสงจากการบวชพระต่ อ, อบิดามารดาครับบุปการีครับความจริงการบวชพระนี่จะมีผลประโยชน์ตอนช่วยบิดามารดายัางอยู่เพราะว่าการบวชของเราจะทำให้เราได้ดึงพ่อแม่เข้าวัดไปกับเราด้วยเพราะพ่อแม่มีความรักผูกพันกับลูกลูกอยู่ที่ไหนก็มักจะต้องไปเยี่ยมไปดูแลถ้าลูกไปอยู่วัดไปบวชพ่อแม่ก็ต้องไปวัด เมื่อไปไวัดมันก็น่อยต้องไปทําบุญไม่ใช่ไปไปเปล่าๆ็น่ไหมส่วนใหญ่คนเราเข้าวัดก็มักจะซื้อข้าวซื้อของไปทาบุญแล้วถ้ามีโอกาส ก, าก็ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าวันนั้นก็มีการสมาทานศีลนีฝึกสมาธิก็ จ, จะได้ฝึกสมาธิไปกับเขาด้วยอันนี้คือประโยชน์ที่เรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองไปประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือถ้าผู้บวชนี้สามารถบรรลุทำได้เป็นพระอรหันต์ได้แล้วมี อภิญยาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอภิน ญ, ญาหลังจากตัดสั้ก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาได้พุทธมารดาตายไปแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั mm hmm. ้นเทพพระพุทธเจ้าก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาแล้แสดงธรรมบวชพุทธมารดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได mm hmm. อันนี้ก็คือประโยชน์สําหรับผู้ที่มาบวชแล้วสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับบิดามารดาได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความสามารถของผู้บวชว่าหนึ่งบวชแล้วบรรลุเป็นธาตอาหารหันได้หรือไม่สองบรรลุเป็นธาตอาหารหันแล้วมีอภิญยามีความสามารถที่จะติดต่อกับดวงวิญญาณได้หรือไม่ถ้าติดต่อได้เพราะแม่ที่ตายไปหลายปีมาแล้วก็ยังสามารถที่จะไปแสดงทำตรวจท่านได้คําถามจากทาง youtube ค่ะ การประพฤติต่างๆเป็นกายากรรมการสวดมนต์เป็นวาเป็นวาจากรรมังการภาวนาเป็นมโนกรรมังผมเข้าใจถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ก็ถูกก็ถูกการกระทําทางกายก็เรียกวากายกายกรรมการกระทําทางวาจา ก, ก็เรียกว่าจีกรรมการกระทําทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมคําถามจากช่องดรวีค่ะ ขอปัญญาจากพระอาจารย์ค่ะลูกต้องจ่ายเงินช่วยซื้อที่ดินให้น้องชายที่ยังค้างเขาอยู่สองแสนแต่กลัวถูกเจ้ากลัวถูกเจ้าของที่โกงถ้าลูกจ่ายให้แล้วเจ้าของเขาไม่โอนให้ลูกลูกจะสอนใจตัวเองยังไงคะไม่ให้ถูกค่ะเครื่องสอนว่าลองโง่แเรามาให้เงินเขาก่อนทาไมแล้วต้องยื่นหมูยื่นแมวกันสิทำไมเขาเซ็นให้เราเราก็จ่ายให้เขาไปถ้าเขายังไม่เซ็นเราก็อย่าเพิ่งไปจ่าย มีคำถามนะเลยอาจาชย์ค่พระอาจารย์เจ้าค่ะวันนั้นลูกเข้าปฏิบัติสมถภ า, าวนาแล้วรู้ว่ามาไม่เกิดความทุกข์ที่โดนจิตของหนูนะคะแล้วก็นี่หนูรู้หนูรู้หนูหนูก็ทำ เ, เดินจงกรมไปแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเกิดจาก กิเลสของขันที่มีอยู่ในตัวหนูค่ะแล้วหนูก็เห็นดังนั้นห น, หนูทิ้งมันแล้วมันก็หายไปหนูอาจจะไม่ได้ทิ้งได้ตลอดไปหรือเปล่าเจ้าคะก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามันกลับมาใหม่ก็ทิ้งมันหม่ได้ถ้าเราก็ทิ้งได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งได้ต่อไปเรื่อยๆฝึกสติต่อไปเรื่อยๆฝึกสติฝึกปัญญาไปเจ้เาค่ะ อแล้วทีนี้หนูสงสัยว่าด้วยหนูเอฝึกปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามหลวงพ่อและพระอาจารย์หลายหลาอที่ที่หนูศรัทธานะคะได้หรือไม่เจ้าคะาทําให้หนูสับสนไหมเจ้าคะก็เหมือนกินข้าวแล้วก็กินหลายร้านด้านนีเน้เราไม่ได้กินร้านเดียวใช่ไหมต้อเบ <c oughs> ื่อร้านนี้แล้วก็ไปกินอีกร้านหนึ่งถ้ากินแล้วมันอินก็ใช้ได้เหมือนกัน ถ้ า, ามันดับทุกข์ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วหนูนเห็นว่าหลักการสอนก็คือการปฏิบัติส ม, ะสมะถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกันค่ะเจ้าค่ะหนูก็เลยเหนูก็เลยฟังฟังพระธรรมเทศนาแล้วบางครั้งหนูได้เข้าใจมากขึ้นใช่ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์กินข้าวก็เพื่อดับความหิวกินแล้วไหนถ้ามันกินแล้วมันอิ่มัมนไม่หิวก็ใช้ได้ทั้งนั้น น้ำกพาพยาอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีแล้วเหละถ้าไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านชงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ